ธรรมชาดกแผ่นที่หนึ่งลำดับที่เก้าโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่13กันยายน2553รมีีชื่อเรื่องว่าลูกเศรษฐีทั้งสี่คนเดือนกันยาเป็นเดือนฝนทแท้ๆนะแต่ก่อนหน้านี้เราคิดว่าฝนไม่ตกฝนไม่ดี เพราะมันเป็นแปดสองผลปีนี้ปีนี้แปดสองผลมันก็เลยช้าไปหน่อยเดี๋ยวๆดมาแล้วีมาเต็มที่แล้วงนะั้นผลดีนะถ้าจะว่าไปแล้วปีนะี้ผลสม่ำเสมอสักจะเกินไปอีกต่างหากนะแต่ทิ้งยังไงก็แบบสอนขิรีร้องเพลงนะนะั่นน่ะน้ำท่วมดีกว่าฝนแรงสอนคิรีเขาว่างั้นนะเพราะยังไร เพราะว่าฝนแรงเนี่ยมันตายหมดเลยทั้งนาโคกนาดอนถ้านาลุ่มตายหมดเพราะงั้นถ้าฝนแรงถ้าฝนตกเนี่ยมันมันจะท่วมแต่ในที่ลุ่มในที่ดอนมันยังมีข้าวให้ได้อยู่ได้กินอยู่มันก็เป็นมันเป็นอย่างนั้นถึงจะท่วมยังไงมันก็ไม่ท่วมหมดถ้าฝนดีเลยยังไงยังไงก็ยังมีอยู่มีกินเพราะงั้น่ะ อันนี้คือชาวนาฝากปากฝากท้องไว้กับดินฟ้าอากาศไม่แต่ชาวนานะพวกเราทุกคนก็นเหมือนกั น, น่ะวันไหนไม่ได้กินข้าวมีไหมกินข้าวทุกคนแต่ว่าข้าวจะขึ้นราคาน้อยหนึ่งเท่านั้นนะทะเลาะกันลึงตึงนางจนข้าวราคาตกซะก่อนยังค่อยให้ชาวนาได้ขายสรุปแล้วก็คือ ถ้าจะว่าไปนั่นก็คือเอาเปรียบกระดูกสันหลังของชาติไปสักหน่อยเหมือนกันนะพวกเรานะ่ยอย่างอื่นขึ้นหมดะแต่ข้าวเนี่ยกินทุกวันไม่ขึ้นเพราะเห็นไรเพราะทุกคนกินข้าวไม่ขึ้นแต่ตามไม่จริงเงินภาษีของรัฐบาลก็น่าจะให้ชาวนาเขาบ้างเพราะเขาทํานากว่าจะได้ข้าวมาเลี้ยงหมู่พวกเราเนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันถ้า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 เกิดเป็นอาหารของข่าข่าจะต้องกินมนุษย์มนุษย์ก็ไม่ยอมอีกเหมือนกันอันนี้เหตุผยเห็นแก่ตัวถ้าคนเห็นแก่ตัวแล้วก็มองไม่โทวถึงอย่างนั้นอ่ะเพราะเหตุไรเพราะเห็นแก่ตัวถ้าเราพวกเราไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็มองเฉลี่ยไปกลุ่มไหนที่มันหนักหนาที่มันด้อยโอกาสที่มันไม่ทันกับ หมู่พกเพื่อนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ร่วมชาติของเราร้ควรจะให้การสนับส น, นุนให้ความช่วยเหลืออย่างไรที่เขาด้อยกว่าถ้าทุกคนทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้รับผิดชอบทุกหมู่ทุกเราเห็นพ้องต้องกันอย่างนั้นนั่นแหละความผลาสุกก็จะเกิดขึ้นถ้าหา่าวไม่เห็นทาไมพร้อมกันแล้วก็อย่างว่าแล้ว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 เรื่องกับอิจฉาพยาบาทแต่ตามให้จริงไม่ให้คนอิจฉาเลยก็ไม่ได้อีกเหมือนกันถ้าใครเห็นเราดังกว่าเด่นกว่านั้นเขาก็คอมเมนตเาเหมือนกนะันเถอะมันใส่เหมือนนเถอะแต่ถ้าว่าเป็นมูเป็นเพื่อนเดียวกันไม่เป็นไรถ้าว่าต่างกลุ่มต่างคณะขึ้นมาแล้วถึอเขาจะไม่ได้พูดอะไรเ ข, เขาจะไม่ได้ทำอะไรแต่เขาเด่นกว่าตัวเองมันใส่ละ มันมีอยู่อย่างงั้นถูกนียตั้งแต่สร้างโลกมาเป็นอยู่อย่างงั้นอันนี้ถืถงอย่าถือยังไงคนอื่นจะมันไสยังไงก็ตามแต่ใน ห, หมู่ในคณะของเราเนี่ยควรจะระมัดระวังในคําพูดถ้าคําพูดดีก็มีผูกมิตรผูกสหายเป็นพักเป็นพวกเป็ น, พ เ, ปนเพื่อนเป็นฝูงกันอยู่ด้วยกันนานแต่ทางว่าพูดอะไรไม่ระมัดระวังคําพูดจะเสียหมู่เสียเพื่อน เสียพ่อเสียแม่เสียบงสาคณาญาตเสียมิตรสหายไปได้ไง่ายๆเหมือนกันเพราะคําพูดนะแต่ว่าคนโบราณเขายังสอนวิธีการพูดไม่ใช่น้อยเหมือนกันสอนวิธีการพูดคนนั้นพูดยังไงจึงเป็นสิริพูดยังไงจึงเป็นมงคลพูดยังไงจึงเป็นการโน้มน้าวให้คนอื่นเป็นที่ยอมรับทันยกชาดกขึ้นมาอีกเหมือนกันนะ ชาดก็คือเรื่องเก่าแก่นะสมัยหนึ่งนะเมืองพรราชนิษยอุดมสมบูรณ์พูนสุขไปด้วยคู่คนการทำมาค้าขายก็จเจริญรุ่งเรืองในยุคสมัยนั้นแต่ที้เศรษฐีก็มีมากแต่นี้มีเศรษฐีอยู่ในกรุงพระราณสีเศรษฐีบุตรเ ป, นนะเป็นบุตรเศรษฐีสี่คนบุตรเศรษฐีน้อยเศรษฐีหนุ่มสี่คนออกไปเที่ยวนอกเมือง ไช้เขาบอกไปนี่ยนะไปโตโตเเตตามภาษาคนหนุ่มนงันะไปเที่ยววาทะใครเก่งกว่ากันเพราะว่ามันจะต้องเรียนวาทะเ่เป็นเศรษฐีต้องเรียนวาทะการทำมาค้าขายถ้าพูดกับผู้ใหญ่ทำยังไงพูดกับผู้น้อยทำยังไงพูดกับผู้ค้าทำยังไงถึงจะซื้อสินค้าเขาทำยังไงที่เราจะขายสินค้าทำยังไงเราต้องเรียนพวกทั้งหมดเพราะ้เศรษฐีเนี่ยใครก็ว่าใครเก่งเนี่ย จบมาตะ ก, กัดศิลาเหมือนกันเหมือนกันเอะทีนี้ก็เห็นพ่อค้าคนหนึ่ง พ, พ่อค้าขายเนื้อเหมือนกันเถะในพรานเนี่ยเขาอยู่ในป่าเขาไปล่าเขาไปล่าเนื้อได้พวกเก่งพวกวกวางพวกสัตว์นี่แหละเขาก็สับกรทุกบรรทุกรถก็ามาในเมืองเหมือนกนเพื่อจะขายในเมืองเศรษฐีทั้งสี่คนเนี่ยนั่งอยู่ศาลาศาลานอกเมืองพอ เห็นพ่อค้าคนนั้นกำลังขนเนื้อเข้ามาเพื่อจะขายในเมืองทั้งเศรษฐีนี่ก็คุยกันแหะเศรษฐีบุตร่ะใครจะมีวาทะแน่ปรกันไปเกเจรจาสิไปเจรจากับเนื่ยพ่อค้าขายเนื้อเนี่ยไม่ต้องซื้อละไปขอเขาพิธีการขอทำยังไงจัดไปที่ยอมรับของเขาคนหนึ่งอาของผมไปก่อนพอถึงไปเทนเนี่ยอ้พ่อค้าเนื้อ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 มันมาขอของแล้วคนะเราขอเนื้อสักหน่อยเถิดถงพ่อค้าเนื้อเนี่ ย, อยไอ้ที่พูดขอของกับคนอื่นทําไมพูดจับหยาบอย่างเนี้ยธรรมตาไม่จริงการขอของกับคนมันก็ต้องพูดอ่อนน้อมกว่านี้อันนี่ยมันพูดแบบนี้แบบสมควรจะให้แต่พังผืดไปแล้วพังผืดเ ก, กี่ยวกับคายข้าวจะเนื้อก็ไม่ใช่จะหนังก็ไม่ใช่พังผืดไปงั้นะ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 พ่อค้าเนื้อคนนั่นเอออันนี้พี่เนี่ยไอ้คาว่าพี่น้องคนเราต้องมีพี่มีน้องเหมือนอวัยวะเดียวกันรักกันเหมือนอวัยวะพี่น้องเน่ะเพราะนั้นควรจะให้ขาหาสัตว์มันงั้นใอ่เอาไปเอาไปกินเพราะว่าพี่น้องอะ่ะแต่คนนึินเข้ามาอีกเศรษฐีบุตรเรียกพ่อเลยนยพ่อพ่อผมขอได้เท่านัน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 ผมอยากจะได้นั้นเนี่ยคุณพ่อคุณพ่อจะต้องรักลูกเท่าไหร่พร้อมที่จะอนุมัติเรืออนุโลมตามมั้งนั่ะอันนี้เขาเรียกพ่อเนี่ยจิตใจวันไหวไกวแหว่งเพราะพ่อกับลูกอันนี้ควรจะให้เนื้อหัวใจปกครองเนื้อคนนั้นนะให้เนื้อหัวใจเอาไปเธอเอาไปกินไปเขาให้อันั้นไปไอันนั้นได้เนื้อหัวใจมั้งนั่นหัวใจ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 ไม่ให้แพร่งพายออกไปภายนอกเพราะเป็นเพื่อนเหมือนอวัยวะอันเดียวกันอันนี้เลยบอกเออเพื่อนถ้าจะเป็นเพื่อนกันที่แท้จริงเน่ะผมจะยกให้ทั้งหมดทั้งเพื่อนเอาเ้าไปไล่ผมเป็นเพื่อนแท้ๆอะไรเป็นเพื่อนของคุณแต่แท้ๆอะไรเออเอ า, เ, อาเป็นเพื่อนปะผมจะไปส่งถึงบ้านเศรษฐีคนนี้ก็เลยชักชวนหมู่ทั้งสามว่าขึ้นขึ้นรถ ด, ด้วยกันไหมก็เลยไปส่งถึงบ้านจากนั้นเศรษฐีนี่เลยเออ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 ไม่ทะเลทรายเพราะเขาเป็นผู้มั่นคงในแนวความคิดถึงกับกิริยาที่เขาแสดงออกมาทั้งสามเพื่อนเห็นได้ชัดแต่กับเราเนี่ยเขาก็เห็นได้ชัดเหมือนกันเป็นเพื่อนที่ดีของเราจากนั้นเขาก็เลยอยู่ด้วยกันนิทานหรือชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการพูดด้วยการแสดงออกการพูดให้ระมัดระวังถ้าพูดดี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 นี่แหละอันนี้ก็คือเป็นการเป็นแนวแถวคําสอนของพระพุทธเจ้าอีกเหมือนกันมิตรสหาอยู่เป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญนะมิสหายในการครบค้าสมาคมในการครบมิจฉาอยู่ในหลักของพุทธศาสนาแล้วท่านเป็นถือเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวทั้งว่ามิตรที่ดีสหายที่ดีเพื่อนที่ดีอยู่ในชุมชนใดอยู่ในกลุ่มใด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 ทำตนเป็นคนดีไม่แตะในสิ่งเหล่านั้นแล้วมีแต่ความเจริญนะเนี่ยพราะพุทธศาสนาท่านสอนอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะไปสอนลูกสอนหลานสอนคู่สอนคนบอกกล่าวกันอันนี้คือทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถึงอย่างไงก็อย่าไปลืมถึงจะอยู่ดีมีสุขขนาดไหนก็ตึะแก่เจ็บตายนะยังไม่หนีจากพวกเรานะย่องย่องตามหลังอยู่ตลอดเวลาตัวนั้นสาคัญ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 ได้พบทำคาสอนของพระพุทธเจ้าทั้งคดีโลกเราก็ไม่ขาดตกบกพร่องทั้งคดีธรรมเราก็ไม่ขาดตกบกพร่องจะออกจากภพนี้ชาตินี้ไปเราก็ไม่เสียทาาเสียทีเพราะเราได้ทำคุณงามความดีไว้มากพอสมควรแล้วนะรับพร อ, อนุโมทนาให้พร